<c oughs> ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ขอพกกบกบันดาท่านุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรในวันก่อนได้มาจบลงตอนที่บรนนามพสษีเ <c oughs> มื่อครอดพระราชโอรสที่ถนนพ่อค้า แล้วก็พอดีในวันเดียวกันนางช้างก็นำช้าลูกช้างเผือกขาวผอ่องเอามาทิ้งไว้ที่โรงช้างแล้วก็หายไปช้างตนนี้เป็นคู่บุญบารมีเพราะเวื่อสันดอนหนอพระบรมพงโพธิสัตว์ <c oughs> ปรากฏว่าต่อมาในภายหลังจะไปอยู่ที่ไหนลาบสการะก็เกิดที่นั่นเป็นชางที่มีความสำคัญ สำหรับวันนี้ก็ต่อไปเป็ น, นัันว่าช้างปัจจัยนาตนี้ที่เขาเชื่อปัจจัยนาตก็ถือว่าเป็นช้างที่นำลาบสการะมาสู่ตรกูลแล้วก็เป็นของคู่บุญบารมีของพระเวชสันดร น, นอพระบระมพงโพธิสัตว์เมื่อพระราชวเวนดาให้พระราชทานพระนมม้นางนมหกสิบสี่คนจะกินไหวเนี่ย ล้วนจะมีทันที่ไม่หย่อนไม่ยานแล้วก็มีรถขนมหวานปราศจาโทษใดๆให้เลี้ยงและเลี้ยงดูกุมารต่อมาก็สมโปรดปรานให้สร้างเครื่องบรรดับสําหรับพระราชกุมารซึ่งมีราคาหนึ่งแสนแล้วก็พระราชทานให้แก่พระราชกุมาร <c oughs> พอพระราชกุ ม, มันมีพระชนได้สี่ห้าปีก็ทรงเครื่องเครื่องประดับนั้นพระราจะทานแก่พระ น, นมเสียและก็ไม่ยอมรับคืนพอนมทั้งหลายได้กราบทูลใด้ทรงทราบว่าพระราชาจึงได้ทรงตัดว่าของที่บรเราให้แล้ว ก็ถือว่าแล้วกันไปเพราะเป็นสิทธิที่ลูกของเราจะพึงให้เพราะลูกของเราเป็นเจ้าของแล้วก็ทรงสั่งให้สร้างเครื่องประดับสำรับอื่นอีกพระราชบุตรมัยก็ทรงเปรื่องถวายถวายพระนมทั้งหลายอีกทร <c oughs> งทำอยู่อย่างนี้ทึ้งเก้าครั้งดีกันพอพระชนส่าได้แปลกคบ ก็ทรงคุ้นคิดอยู่เสมอว่าการบริจาคทานภายนอกนี้ไม่ทำให้เราอิ่มใจเลยเราอยากจะบริจาคทานภายในบ้างถ้าใครจะมาขอแขนทั้งสองก็ดีขอในตาทั้งสองก็ดีหรือว่าขอเลือดในร่างกายของเราก็ดีเรายินดีที่จะบริจาคให้ทันที ือแม้ว่าใครจะมาขอให้เราเป็นทาตเราก็พร้อมที่จะเสียสละยศศักดิ์เป็นทาตรับใช้ทันที <c oughs> นี่เป็นอันว่าในเรื่องของพระเวสสันดรชาดกนี้หลักปณิธานเนี <c> ่ย <oughs> แต่ได้ว่ามีการครบบารมีทั้งสิบเมื่อรบพราจุป ม, มารเจริญไวัยได้ 16, สิบหกพรรษาก็ทรงเรียนศิลประสร์ จนครบทุกสาขาพระราชวิพามีพระราชาสงค์จะมอบพระรา ช, ส ม, รราชสมบัติให้จึงปรึกษาตกลงสู่ขอพระนางมัต ส, สีราชธิดาเขาพระเจ้าลงแห่งกรุงมัทราชเป็นมเหสีและก็ทรงอภิเศกทั้งสองไว้ในสี่ราชสมบัติสิบใบคือครองเมือง จำเดิมแต่พระเวทพันดอนทรงดำรงอยู่ในสีริราชสมบัติพระองค์ก็ได้ทรงบริจาคทานทุกวันต่อมาพระนางมัตสีก็ประสูติพระราชโอรสระยะตัต้งหลายทรงรับด้วยขายทองคำาิึงให้ขนานพระนามว่าชาลีกุมารคำว่าชาลีนี่ปรวตาขาย เออเด็กที่คลอดมาเขารับด้วยตาข่ายทองคำให้นามาชาลีนะชาลีนี่แปลว่าตาข่ายพอพระชาลีกุมารทรงพระราชจงดํดำเนินได้ก็ประสูตพระรา ช, ชดิดายองหนึ่งพระยาทั้งหลายทรงรับด้วยหนังหมีหนังหมีนี่บรรดาญาติโยมผู้สันดับ ในโปรดทราบว่าเขาก็ไม่ใช่หนังแข็งๆที่ตาแข้งแล้วไปรับก็จะทําเช่นเดียวกับหนังแกะที่เขาทาขายอย่เวลานี้มีความความฟูแล้วก็นิ่มนวล <c oughs> บรรดาหมูเพระาะไปอยุ่ระยะท่านหลายชิ้นก็หลานลามพระราชเชษิดาว่ากัญหาฮะนีวก็กัญหาชินากัญหานี่ก็เป็นหมีหนังหมี พระเวสสินดอนสันเด็จประทับเหนือคอโคจิสารมงคลคือช่างปจัจเจณาคีนหรืยว่าช่างปจัจเจณาทอดพระเนตรตรวจดูโรงทานทั้งหกแห่งเดือนนกครั้งเป็นประจำตลอดมาเ <c oughs> องกล่าวว่าในคราวนั้นเกิดข้าวยากหมากแพงผลผลแรงไม่ตกต้องตามฤ ด, ดูกาลเกิดที่เมืองกริงสาราช์นะ กลิงครัตเขาเรียกกรลิงครัตผลแรงเข้ากล้าก็าเสียเกิดทุพพิกภัยอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นบรรดามนุษย์โกรธ อ, อยากมากก็เที่ยวปล้นสนดมทําจุรกรรมกันทั่วไปจนบรรดาประชาชนนบต่างชาวชนบทท่างหลายจึงร้องเรียนต่อผู้ครองแฟนให้ช่วยเหลือ <c oughs> นี่หมายความก็เขาอดท่าเต็มทีนี่มันก็ทนไม่ไหวยาบุกรองแฟนจะได้ทรงรับโอโมสทศีลเจ็ดวันรักษาโอโมโสดนะใครช่วยทำไงพระราชาทำไงบรรดานในฝนตกฝนมนไม่ตกนี่ทำไงล่ะฝน <c oughs> ไม่ตกก็มีวิธีเดียวรักษาโอโมโสถศีลรักษาโอโมโสดศีลเจ็ดวันเพื่อฝนตก เมื่อฝนไม่ตกก็รักษาต่อไปเจ็ดวันฝนก็ยังไม่ตกหาได้มีฝนตกลงมาไม่แม่ธรรมาจะพึง ว, ว่าวิธีการนั้นไม่เป็นผลในที่สุดชาวนรรคดเยนทูนแนะนำว่าพระเวสสันดรแห่งตรงเชยคุณดอนนั้นทรงยินดีในการบริจาคทานยิ่งกว่าชีวิตแน่รู้เสียด้วยนะ <c oughs> อย่างนี้น่ากลัวเทวดาจะดลใจเท้าเธอคือพระเวทสันดอดนี่มีช้างมงคนอยู่เชือกหนึ่งเป็นเผือกขาวล้วนเป็นช้างมีบุญญาธิการมากถ้าช้างเชือกนี้ไปที่ใดไปถึงไหนฝนก็ตกที่นั่นฉันขอพระองค์จะส่งพรามไปขอช้างนามาเถิดพระเจ้าค่ะเออก็อดีเหมือนกัน <c oughs> นี่เป็นเรื่องของชาวบ้านที่คิดแต่ว่าความจริงเรื่องพระกษัตริย์เขาคิดกันไปอย่างหนึ่งว่าช่างคู่บารมีนี่เขาขอก็ไม่ได้ในสมัยที่บุเรงนองมาตีเราสมัยนั้นที่พระเ จ, าจา้าจักรพรรดิมีช่างมากเราก็ถือศักดิ์ศรีว่าช่างเป็นคู่บารมีเราให้ไม่ได้ แต่ว่ารายนี้เขาสั่งจะส่งพระเจ้าบ้านให้พระราชาส่งคนไปขอช้างจะได้หรือไม่ได้ฟังกันต่อไปแคนั้นเจ้าอระเจ้าพระมันพระเจ้าแขวงกริงครัตจึงได้ส่งจัดส่งพราหม์แปดคนไปตามคําแนะนําของประชาชนในพระราชาท่านก็ดีนะเอมื่อคนหมู่มากเขาว่าอย่างไงอย่างนี้เขาเรียกปกครองแบบประชาธิปไตย <c oughs> ความจริงประชาธิปไตยนี่เขามีมานานแล้วแต่เวลานี้เราไม่รู้จักประชาธิปไตยเพราะขาดสิ่งขาดธรรมประชาธิปไตยจริงๆก็คือพมีหารสี่กับสังขะวัตถุถ้านักบริหารประเทศนด้ค่าระดิกันรับนโยบายการบริหารถ้ามีพมิหารสี่และสังขะวัตถุ ประเทศเราก็เป็นประชาธิปไตยไม่ว่าประเทศไหนหมดนั่นแหะถ้าทําอย่างนั้นเป็นประชาธิปไตยทั้งหมดแต่ขาดพมิหารสี่กับสังขวัตถุสีจะทํำยังไงก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้มันต้องเป็นขณะที่ปไตยคือเป็นคมคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบริหารประเทศ เล่ากันต่อไปว่าพราหมณ์ทั้งแปดคนนั้นก็ไปอย่างไปนครเชียงคูดอคอยดักพบพระเวสสันดรเวลาที่จะส่งช้างออกตวรวจดูออกดูโรงทานเ <c oughs> อาตัวโรงทานตามประตูเมื อ, องำตำแหน่ต่างๆพอพบพระเวสสันดรเสด็จมาก็อก็ประคองแขงขึ้นอันแดนที่ทําความเคารพ สแสดงทำความเคารพด้วยแล้วมาทําความเคารพแล้วก็แบมือแบมือในลักษณะแห่งการขอท่านเขาตีใบกันนะนี่ลักษณะแบมืออย่างนี้เราจะเห็นมากในประเทศอินเดียเพราะในประเทศอินเดียลักษณะแบมือขอนี่มีเยอะ <c oughs> เราจะไปตามถนนหนทางต่างๆสนามบินก็ดีสถานีรถไฟก็ดีเรียกว่าทุกๆสถานีของรถไฟที่ผ่านไปจะพบกับพวกแบมือเป็นปกติแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของรถไฟก็ต้องสั่งระวังพวกแบมือเหมือนกันแกแบเข้ามาถ้าเวลาเราเผลอบัง เ, เอิญมีของมีค่าวเวลีมต่า ง, งรถไฟแกก็กรรมอาของนั้นไปด้วย เวลายื่นเข้ามาแก่บแบเวลาดึงออกไปแก่กรรมนี่แคมีทั้งแบ่และทั้งกรรมประเทศอินเดีย <c oughs> อันนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะว่าประเทศอินเดียเนี่ยใครไปถ้าเผลอมาอะไรก็จริงมานั้นเป็นนั้นว่าพรามณ์ทั้งหมดก็แสดงความกรบแล้วก็แบ่มือแสดงการขอพระเวสสันดรจืรนททรงขับช่างเข้าไปใกล้แล้วก็ตัดถาม ว่าพ่อทั้งแปดเนี่ยมาเพื่อมีความประสงค์อะไรเขาก็บอกว่าที่เมืองของข้ารพระพุทธเจ้าเป็นข้าวตกอยู่ในข้าวยากมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤ ด, ดูกาลเวลานี้บรรดาประชากรนละสัอดิษทั้งหลายมีความตกทุกข์ได้ยากมาก ร, ราชาก็พยายามทรงศินเจ็ดวันแล้วก็เจ็ดวันแล้วก็เจ็ดวันต่อกัน <c oughs> เป็นนั้นว่าทรงศีลเท่าไรฝนก็ไม่ตกในที่สุดบรรดาประชาชนประชุมพร้อมกันว่าพระองค์เนี่ยมีพระมหากุณาธิคุณเป็กนกณีวิเศษในบรรดาประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากสําบากกายจะไปในที่ใดก็บริจาคทานเป็นเนียงลิดแล้วก็มีกิจสำคัญอีกอันหนึ่งสิ่งที่มีความวิเศษก็คือชาวปัจจัยนาค สำหรับช่างปัจจัยนนานี่จะไปที่ไหนก็สร้างความชุ่มชื่นให้กับบรรดาประชาชนอันหลายฝนนั่นหลายที่ไม่เคยตกก็ตกที่ฝนตกอยู่แล้วก็สร้างความชุ่มชื่นไว้เสมอไม่ขาดสายฉะนั้นบรรดาประชาชนอันหลายไม่ทราบข่าวว่าพระองค์มีพระมหากุณาธิคุณกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากที่มีความลำบากอยู่แล้ว ยิ่งอยากจะใกล้ขอช่างปัจจียนาคนี้ไปช่วยประทังชีวิตข้ามันดาประชาชนทั้งหลายที่กําลังจะตายอยู่เวลานี้หากว่าผลดีพืชผลพืชพันธุ์ญาหาันดีบริบูรณ์สมบูรณ์เพียงใดบรรดาข่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะถวายช่างคืนมาตามเดิมพระเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นอันว่าเมื่อพระเวสสันดร ทรงทราบแบบนั้นก็ทรงำดำหนว่าช้างของเราฮนะำดำหนีทรงำดำหนว่าช้างนี้เป็นช้างคุ้นบ่อคุ้นกู้บรมีของเราซึ่งเป็นเพียงภายเป็นของภายนนอกเท่านั้นทำไมเราจะให้ไม่ได้ ถึงแม้ว่าคนใดจะขอของภายในคือขอแขนเรื่องสองขอตาขอหัวใจเราก็สามารถจะให้ได้ทันที <c oughs> ที่เราทำอย่างนี้ก็หวังปรารถนาพระโพธิญาณอย่างเดียวนี่เป็นว่าท่านตั้งใจเพื่อพระโพธิญาณคือความเป็นพระโพธิเจา้าเมื่อทรงดาเนินอยางนี้แล้วจึงได้ลงจากคอช้าง เรียกพรามเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ทรงจับงวงช้างวางลงไปในมือพรามแล้วก็หยิบคนโทนน้ำหลังลงไปแสดงการให้ในวิธีตดน้ำากรณแบบนี้นะวิธีของพรามถ้าเขาจะให้อะไรกันก็ของวางไปบนนั้นแล้วน้ำราดลงไป <c oughs> ถ้าขอลูกหญิงลูกชายแล้วก็ยกให้ก็จับมือของคนที่ถูกขอไปวางไว้บนมือคนขอแล้วก็ราดน้ำสแสดงเรื่องการให้จ น, นวิธีพรามยีดติดมาในสมัยนี้ชาวพุทธเราเวลาที่จะให้อุทิศสังฆบุญให้แก่คนตายก็เลยใช้น้ำเหมือนกันแต่ความจริงอย่างนี้ไม่จำเป็นของเราไม่จำเป็นต้องใช้น้าแต่ว่าใช้กันจะติดแล้วก็ใช้กันไปเถอะ แต่ความจริงใช้น้ำด้วยดูเหมือนจะช่วยสร้างความกังวลให้มากเพราะการอุทิศส่วนก็ใช้ทรรมอุทิศะคือเจาะจงตั้งใจให้แค่นี้ก็ได้แต่เมื่อเคยใช้น้ำกันมาแล้วก็จงอย่าเลิกถ้าคืนเลิกก็จะขวางใจเมื่อได้พระยาทานช้างให้แล้วก็พร้อมทั้งเครื่องประดับช้างอันประกอบวัตถีแก้วแหวนเงินทองเอลขั ย, าายหลายแสนนก็ให้ไปด้วย <c oughs> เมื่อการพระราชทานช่างเสร็จลงแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวสะเทือนทั่วไปชาวบ้านคอยก็โจดจันกันด้วยความเสียนได้ยอย่างที่สุดเนี่ยชมบ้านชมบ้านชาวบ้านแกดิข่าวว่าพระเบเชนดอนให้ช่างแล้วก็แผ่นดินไหวก็โจดกันไปโจดกันมาสร้างความยุ่งละตอนนี้ <c oughs> แกก็ก่อการกำเริบขึ้น คือพาการไปกราบทูลพระเจ้ากรุงชนชัยให้ทรงทราบว่าเวลานี้พระเวสสันดรหน่อบพระบรมพงโพธิสัตย์ให้ช้างคู่บ้านคู่เมืองไปจะทําทให้เกิดความจังไรเกิดขึ้นแก่แผ่นดินเพราะการให้ช้างไปคราวนี้เน่าแผ่นดินไหว แนวต่อไปบรรดาประชาชนงหลายอาจจะตายกันหมดกันได้เพราะเป็นแางร้ายเกิดขึ้นโอ้โหเ ก, กล่าวหายแย่แล้วก็ตั้งไปกราบทูลพระเจ้ากรุงพุทธชัยพระราชนิพนธให้ส่งศาสตร์เขาต้องการคือการกราบทูลนี่นะต้องการให้ฆ่าพระเวสสันดรเสียแต่ขืนเอาไว้จะทําให้คนทั้งหลายตายหมดนี่ ความจริงไอ้เมืองนี้ที่มันจะรวยขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยพระเวสสันดรกับช้างปจัจจินาเคงเกิดขึ้นเพราะผลงทานบา ร, รมีแต่ว่าบรรดาชวาวประชาชนังหลายเหล่านี้เขาไม่ได้ทราบ <c oughs> ไม่มีใครทราบความเป็นจริงเมื่อพระเวสสันดรให้ช้างไปกลับบอกให้พระเจ้ากรงชนชัยฆ่าพระเวสสันดรเสียนดู เป็นนั้นว่าเมื่อพระเวสสันดรทรงทราบเทวเจ้ากรุงชนชัยทรงทราบทรงทราบว่าประชาชนไม่ชอบใจพระเวสสันดรนะต้องการยัยฆ่าพระเวสสันดรก็มานั่งนึกในใจว่าโอ้ในเรื่องนี้นะลูกของเราผิดหรือเปล่าเนาะ ความจริงช่างปจัจจยนาเคียนและช่างปัจจีนาก็เกิดมาพร้อมกับลูกของเราต้นถือว่าเป็นคู่บุญบารมีของลูกของเราถ้าลูกของเราจะให้ใครไปมันก็ของไม่แปลกแต่ว่าขึ้นเขาไม่ชาชนีมากถ้าเราจะทัดทานก็เห็นชัดทานไม่ไหวจะทำยังไงลูกเราก็รักเพราะว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข ไม่ว่าใครๆก็รู้จักรักลู ก, ลก <c oughs> แต่สิ่งเดียวที่เรามีอยู่ในชีวิตนี้นะแล้วก็เป็นสิ่งเดียวคือลูกเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่เรามีอยู่ในชีวิตนี้เราจะฆ่าเส่นได้เออมันฆ่ากันได้ยากแต่การตัดสินใจฆ่ากันในรู้สึกมันจะยากแต่เมื่อแท้จริงๆเพราะวนนัญดอนก็ไม่มีความผิด ไอ้บริการหนึ่งพระเวสสันดรเป็นผู้มีสีหนัาประเสริฐสุ ด, สดการบริจาคทานทั้งปวงก็ไม่ใช่เป็นความผิดคิดรไรอะไรทําไมหนอบรรดาประชาชนาหลายจึงต้องการให้เราฆ่าพระเวสสันดรเสียไอ้เหตุผลนี้มันยังไม่ปรากฏผลไอ้เหตุผลนี้มันยังไม่พอ <c oughs> แต่ได้ ว, ว่าประเดี๋ยวก่อนฟังกันไปนิดหนึ่งบรรดาประชานคร ไม่ต้องการถึงเขาค่าเราพระเจ้าค่ะเอาแล้วเนี่ยเป็นว่าในเมื่อพระราชาทรงจัดถามว่าก็ลูกของเราให้ของของเราไปแล้ในเมื่อลูกของเราไม่มีความผิดแล้วเธอก็เป็นคนมีศีลประบริสุทธิ์อย่างประเสรศิฐการให้ทานกับคนยากจนเข็นใจเป็นปกติทําไมทึงต้องฆ่ามีโทษถึงต้องฆ่ากันหรือ เ้าก็ตอบว่าไม่ต้องถึงกับฆ่าก็ได้พระเจ้าค่าแต่ว่าการบริจาคทานอย่างนี้วันหนึ่งจะทําให้บ้านเมืองพินาศหมดสิ้นแลอล่มจมเพราะคนทุกคนยิ่ยยากจนพระช้างตัวประเสริฐไปเสร็จแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าพระองค์ไม่ต้องการจะฆ่ า, าก็ขอพระองค์ทรงในประเทศพระเวสสันดร อ, ออกเส้นจากเมืองศรีพีพเจ้ารณา เป็นนั้ว่าบรรดาประชากรแกก็เอาหนักนี่หมายความว่าถ้าไม่ฆ่าก็ไม่เป็นไรขอให้ไล่ไปที่จากพระนครเอ้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าแกจะเช็คกฎหมายอะไรของแกมีอยู่ก็ไม่ทราบสมัยนั้นนะ <c oughs> อย่างนี้เขาไม่ใช่เรียกประชาธิปไตยมันเรียกประชาธิปไตย เป็นนั้นว่าพระเจ้ากรุงสุนชัยก็คิดในใจว่าชาวพระนครก็มีความประสงค์อย่างนั้นและก็เราก็ขัดข้องก็ไม่ได้เพราะกําลังของคนใหญ่ขึ้นมนุษย์มันเยอะแต่ว่าจะขอให้พระราชบุตรของเราได้มีโอกาสพักผ่อนอยู่ในพระนครนี้สักนาทีหนึ่งก่อนพอรุ่งขึ้นจึงจะให้เสด็จออกจากพระนครไป จากนั้นพระเจ้ากรงชนชยจยก็ในขอโอกาสบวชบรรดาประชากรทั้งหลาย <c oughs> ความประสงค์ของท่านนั้นเราไม่ขัดใจแต่ถ้าว่าเวลานี้ลูกชายก็เราให้ทานพัะจะกลับมาการที่จะออกไปจากพระนครอึกอักไปมีเสืกก้อกางเกงอย่างละตัวมันก็ไม่ไหวทรัพย์สมบัติที่เธอมีอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ก็ไม่คดโกงใครมันมีอยู่ เมื่อต้องการให้เธอออกจากนครนี้แล้วขอเวลาเธอสองสาวันก็แล้วกันให้โอกาสกันบ้างยังไงยังไงเธอก็ต้องไปไป น, นั้นบ่าชามัณฑคอนในฝัน น, นั้นก็พอใจต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้าปขอตนอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะเป็นเรื่องหน้าแปลกบรรดาเต็มพุทธศาสนิกชน เป็นนั้นว่าในตอนนั้นบรรดาประชาชนไปหมดแล้วพระเจ้ากรงทุนชายจึงได้เรียกนายนักการมาแล้วให้ไปตามพระเวสสันดรขามากเฝ้าสําหรับนายนักการนั้นก็ไปกราบทูลพระเวสสันดรให้ทรงทราบด้วยความเคารพอย่างสูงสุดนายนักการนั้นจึงได้กลาวว่าขอพระองค์ได้โปรดทรงโปรดเถิดพระเจ้าค่า ข้าพระบาทจะขอทูลความทุกข์ให้พระองค์ทรงทราบขอพระองค์ทรงย่าได้ทรงโกรธข้าพระเจ้าข้าพระบาทเลยพระเจ้าค่ะพ <c oughs> ระเวชจึงทัดสนดรยินดีถามว่านี่เธอมันมีอะไรก็ว่าไปเถอะเราจะแห่ภัยแก่ท่านทุกอย่างนายนักการนั้นยินดีกราบทูลว่าชาวพระนครงหลายได้มาประชุมกันที่พหลานหลวง เพราะว่ามีความโกรธแค้นที่พระองค์ทรงประทานช้างมงคลแก่พราหมณ์ชาวกริยครัตไปนาเด้ขอให้พระเจ้ากรุงสนชัยเนรเทศพระองค์เสดจากพนครพระเจ้าขาขันประเวชสินด อ, นอยินในคิดว่าทานที่เราให้ไปนั้นจะเป็นช้างก็ดีเครื่องเป็นเครื่องเพชรนินจินดาก็ดีที่ประดับช้างก็ดี นึกว่าจะเป็นแก้วันนีแก้วใบทนแก้วมุกดาก็ดีแม้จะมีค่ามากมายเพียงใดก็ตามก็เปลี่ยงเพียงทานภายนอกกายเท่านั้นส่วนทายภายในนั้นเช่นลูกตาหรือว่าแขนขาตลอดจนทั้งเลือดเนื้อและดวงหัตถยเคล็ดดวงใจของเราแม้ว่าใครยายาจกใดจะมาขอเราก็ยินดีจะบริจาคให้ จะไม่หวั่นไหวอันดับประการใดๆทั้งสิ้นและยิ่งกล่าวว่าเอาเถอะแม้ว่าชาวพระนครสีผีนี้จะฆ่าเราก็ตามจะตัดเราให้เป็นเท่เจ็ดท่อนก็ตามแล้วก็ทำให้เรางดการให้ทานเสียไม่ได้เลยไม่ว่าจะทำยังไงๆก็ตามเรื่องการที่ยางดการให้ทานนะ่ะยอมไม่ได้ จะยอมได้ด้วยการลงโทษถ้าเขาจะลงโทษจะยอมรับแต่การที่ยังวดการให้ทานนี้ไม่ยอมรับเมื่อนาย น, นักการทุนแนะนำว่าขอพระองค์จงสเสด็จไปอารันด้วอรัชราคิรีทางฝั่งแม่น้ำโกนติมาราเพราะเจ้าบันดินที่ถูกในประเทศจ ะ, สะเสด็จไปทางนี้พระเจ้าค่ะ <c oughs> เจ้านั้นบอกทางเสร็จมันเป็นป่าที่สำหรับในประเทศนในประเทศพระมาหากษัตริย์สําหรับพระเวสสันดรยนินดีกล่าวว่าดีแล้วเราจะไปทางตามทางของอาที่พระเจ้าแผ่นดินถูกในประเทศแต่ได้ว่าให้ขอให้ชาวบ้นครยจงให้อวอกาศแก่เราอีกสักวันเหนือสองวันเถอะเราอยา่าใจทานอีกสักวันหนึ่ง ในวันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้เราจะไปนายนการรับคำพระราชดิมรัสแล้วก็ทูลลากลับเพื่อแจ้งพระเจ้ากรุงศรนชัยราชาบรรณคอลทราบทั่วกันเมื่อนายนการเลิกไปแล้วพระเวชนดรนก็ทรงตัดเรียกประชุมเสนาผู้ใหญ่แล้วก็ตัดว่าวันพรุ่งนี้เราจะให้ทานเป็นหมดหมด เป็นหมดหมดได้กันคือเจ็ดร้อยหมดหมดแล้อใ้เป็นหมดหมดคือหมดละเจ็ดร้อยคือชางเจ็ดร้อยม้าเจ็ดร้อยรถเจ็ดร้อยนมเจ็ดร้อยโคนมเจ็ดร้อยนะเป็นต้นแล้วซึ่งจะมีชื่อเรียกว่าสัตดกมหาฐานเคย่าท่านยิงชายอย่างละเจ็ดร้ยเจ็ดร้อย ขอให้บรรดาท่านนงหลายจุ้จัดแจงสิ่งของนัปวงให้ถูกต้องเรียบร้อยทุกๆุกอย่างแล้วก็แม้กระทั่งสุราใดมีไรซึ่งเป็นของไม่ควรจะให้ก็ขอจัดไว้ด้วยเราจะให้ทุกอย่างให้มันครบถ้วนตามความต้องการของบุคคลผู้รับพันจัดเสร็จแล้วก็ส่งเลขไปชุมแล้วก็เสด็จเข้าพบพนังมัตสีเป็นอการส่วนพระองค์ อลราบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็รู้สึกว่าเสียงมันแห้งมากไปการการเล่าเรื่องของพระเวสสันดรชาดกในตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีมุมหน้าคิดอะไรมากเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องมาเล่าไปแบบธรรมดาธรรมดาแต่ถ้ว่าเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็มีประโยชน์กับผู้ฟังมากในด้านคนา แต่สำหรับเวลานี้โดยเวลาก็รู้สึกว่าหมดเสียแล้วในบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทในเวลามันหมดก็ต้องหดกระแตเปลี่ยนทานี้ขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ณลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธาิาส น, นิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี